ทีนี้พระองค์นั่งรถเจ็ดผลัดไปจนถึงเมืองสาเกตและเข้าไปสู่วังเนี่ยนะถ้ามิตรอัมมาศหรือพระยาสาโลหิต จ, จะพึงทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมากรุงสาวัตถีมาเออเสด็จมาจากเมืองสาวัตถีเพื่อมาถึงเมืองสาเกตที่ประตูพระราชวังด้วยรถผลัดนี้เออผลัดเดียวหรือพระเจ้าพเพศที่โกศลมาด้วยรถคันเดียวใช่ไหมมาถึงนี่เลย พระเจ้าปเสนที่โกศลจะตรัสตอบอย่างไรจึงจะเป็นอันตรัสตอบอย่างถูกต้องพระเจ้าปเสนที่โกศลถ้าจะพูดให้ถูกนะท่านต้องพูดอย่างนี้ว่าเราเนี่ยนะกำลังอยู่ที่เมืองสาวัตถีมีกรณียกิจดกวนบางอย่างเกิดขึ้นที่เมืองสาเกตที่จะต้องไปด้วยตัวเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นระหว่างเมืองสาวัตถีกับเมืองสาเกตต้องใช้รถเจ็ดพลัด จึงจะถึงเพราะฉะนั้นเราก็ออกจากเมืองสาวัตถีขึ้นรถผลัดที่1ลงจากพลัดที่1ไปขึ้นผลัดที่2ขึ้นจากผลัดที่2มาลงที่มาต่อพลัดที่สมขึ้นผลัดที่สามมาต่อพลัดที่สี่ขึ้นพลัดที่สี่มาต่อผลัดที่5จากผลัดที่ห้าไปต่อผลัดที่6พลัดที่6ไปต่อผลัดที่7พอถึงที่7ก็ไปส่งไปถึงประตูวังพอดีเพราะฉะนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลท่านจะพูดให้ถูกต้องตอบแบบนี้เนี่ยนะนั่งรถหลายช่ออะไรอยเ เขบอกว่าบางทีจะมาฟังธรรมต้องนั่งรถเมล์มาตั้งหลายสายกว่าจะได้มาฟังธรรมเนี่ยนะก็สายที่หนึ่งใช่ไหมทมํามาถึงนี้บอกว่าไม่สายที่หนึ่งต่อมาทอดสายที่สองสายที่สาเป็นต้นนะสืบมาเรื่อยๆเนี่ยนะพูดอย่างนี้สิจริงกับถูกต้องผู้มีอายุข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันศีลวิสุทธิ์นี่นะเป็นประโยชน์แก่จิตตวิสุทธิหมายคำว่าศีลวิสุทธิ์เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยนะ เป็นการชำระกายวาจาและทิฏฐิให้บริสุทธิ์กจึงจะมาเจริญมาเจริญจิตวิสุทธิเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตวิสุทธิแสดงว่าศีและวิสุทธิดีจิตวิสุทธิก็เพื่อประโยชน์ให้สำเร็จแต่ทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิก็เพื่อประโยชน์ให้สำเร็จได้กังขาวิตรณวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิก็เพื่อประโยชน์แก่ มคามัคยาณทัศนวิสุทธิมคามัคยาณทัศนวิสุทธิก็เพื่อประโยชน์แก่ปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิก็เพื่อประโยชน์แก่ยาณทัศนวิสุทธิยาณทัศนวิสุทธินี่แหละเพื่อประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพานผู้มีอายุผมประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่ออนุปาทาปรินิพานนัะ เพราะอะไรเพราะเป็นประพฤตธพรหมจารย์เนี่ยสีลวิสุทธิก็เป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าถ้าเธอจะปฏิบัตินะเบื้องต้นหนึ่งสองสามสี่เธอจะต้องปฏิบัติเนี่ยเป้าหมายจริงๆอยู่ที่อนุปาฏฐาปรินิพพานนั้นพระปุณณามนตานีบุตรไม่ได้เข้าใจหรือท่านไม่ได้มีความมุ่งหมายต้องการแค่เพียงเพื่อศีลต้องการเพียงเพื่อสมาธิเพียงเพื่อปัญญาเป็นต้นไม่ไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการและท่านก็ไม่เคยเข้าใจผิดว่า ศีลนั่นแหละเป็นนิพพานสมาธินั่นแหละเป็นนิพพานปัญญาในระดับต่างๆเป็นนิพพานแต่ถ้าบุคคลจะบรรลุมรรคผลนิพพานโดยปราศจากศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ได้เพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพา น, นนะท่านพระปุณณนะมันตานีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรก็ถามว่าผู้มีอายุท่านชื่ออะไร พวกเพก่อนเพื่อนพรหมจันทร์รู้จักขั้นว่าอย่างไรไหมถามชื่อเลยนะพูดดีอย่างนั้นอธิบายเข้าใจเลยนะพูดดีถามชื่อเลยเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งมาดูข้อความเปรียบเทียบเกี่ยวกับอุปมาในหน้า386แ38ปดหยนะสามในการอุปมาเมีอธิบายอย่างนี้ว่าพระโยคาวจรผู้ขลาดกลัวต่อชราและมรณะ เห็นเหมือนกับเหมือนกับพระเจ้าเประเตที่โกศลกันนะอุปมาได้นะพระเจ้าเปรตที่โกศลจากเมืองสาวัตถีมาสู่เมืองสาเกตบอกว่าใครที่กลัวชรามรณะเกลียดชรามรณะต้องการจะพ้นจากชราและมรณะนั้นก็เหมือนกับพระเจ้าเประเตที่โกศลมีธุระที่เมืองเมืองอะไรเมืองสาเกตส ก, กายานครหมายคือว่าขันอายตนะธาตุอุปาทานขันห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกับ สกายานครนี่เป็นชื่อของอะไราตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นชื่อของขันห้าเป็นชื่อของอายตนาสิบสออันนี้ก็เหมือนกับเมืองสาวถีเป็นเมืองที่ต้องจากนะอยู่ไม่ได้นะเมืองนี้นครคือนิาพานพระนิพานก็เปรียบเหมือนเมืองสาเกตแยกออกไปนันวัตตะกับวิวัตต์ใช่ไหมสังคตะกับอสังคตะเวลาที่พระโยคีเกิดความปรัด ปรารถนาที่จะตรัสรู้อริยสัจที่ตัวเองยังไม่เคยรู้เลยเนี่ยนะเกิดมาไม่เคยเห็นเลยทุกสมุทัยนิโรธมากไม่เคยทํากิจในอริยสัจแต่ที่จริงตอนแรกก็ปรารถนานิพพานใช่ไหมแต่ว่าปรารถนานิพพานต้องการจะบรรลุนิพพานแต่เกิดมาไม่เคยบรรลุมรรคผลนิพพานมีกิจจะต้องบรรลุนิพพานเพราะถ้าไม่บรรลุนิพพานอะไรเกิดขึ้นจะพ้นจัสมรมรณาไหมก็ไม่ผลก็เปรียบเหมือน พระราชาผู้ ผ, ผู้นําความเจริญมีกิตรีบด่วนที่จะไปเมืองสาเกตมันคนที่ปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานต้องการจะเห็นอริยสัจก็เหมือนกับคนที่อยู่อีกเมืองหนึ่งแต่มีธุระอยากจะไปอีกเมืองหนึ่งวิสุทธิทั้งเจประการก็เปรียบเหมือนกับรถเจ็ดลัดเวลาที่ตั้งอยู่ในศีลวิสุทธิก็เหมือนขึ้นรถผลัดที่หนึ่งขึ้นรถผลัดที่หนึ่งม หลายท่านที่บอกว่าเขาเป็นนักปฏิบัติเนี่ยนะรู้สึกว่าตัวเองกําลังอยู่รถผลัดที่เท่าไหร่หนะรือกําลังรอรถหรือว่าตกรถหรือว่าอะไรเนะี่ยก็ต้องมาคิดดูนะจะเปรียบเหมือนรถอ่ะนะหนหารถไม่รู้จะไปคันไหน 2. ตกรถไม่มีรถไปเลยนะข้อสขึ้นรถผิดคันหรือคืออันนี้ต้องมาเช็คดูเหมือนกันนะถ้าอยู่บนรถแน่ใจจริงๆแล้วรู้อยู่รถผลัดที่เท่าไหร่กํลาลังอยู่บนสีและวิสุทธิใช่ไหมก็มาดูว่าเออเนี่ย ปฏิโมกเป็นยังไงเนี่ยนะกายสุกกายของเราเป็นสุจริตแค่ไหนวิจีเป็นสุจริตแค่ไหนอาชีพเราเป็นยังไงพิจารณาปัจจัยสี่ว่างไห ม, ไมก็ต่อไปไจิตวิสุทธิอกุศลนิวรณ์เป็นต้นกลุ่มรุมเพียงไหนแค่ไหนแล้วก็อย่างไรทิฏฐิวิสุทธิเป็นยังไงขันธ์อริยตนะเข้าใจแค่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะก็ค่อยๆเช็คตรวจสอบตัวเองดูว่าจริงๆแล้วขณะนี้อยู่ในวิสุทธิไหนะนะเพราะว่า อันนี้เขาเปรียบเทียบเป็นอุปมาว่าถ้าจะสำเร็จคุณธรรมชั้นสูงก็ต้องเป็นไปโดยลำดับอย่างนี้แต่ว่าในการปฏิบัติจริงๆอ่ะในชีวิตจริงมันก็สลับคละเคล้ากันไปเนี่ยนะศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมศีลศีลช่วยรักษาสมาธิสมาธิช่วย รักษาศีลศีลช่วยรักษาปัญญาปัญญาช่วยรักษาศีลศีลช่วยรักษาปัญญาปัญญาช่วยรักษาสมาธิสมาธิช่วยรักษาปัญญาปัญญาช่วยรักษาสมาธิเรียกว่าอบรมคละเคล้ากันไปเคียงคู่กันไปท่านใจ้คำว่าเคียงคู่กันไปยุคนัดธรรมยุคนัดธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมที่เคียงคู่แปลว่าสลับคละเคล้ากันไปให้เพียงไปนั่นแหละจึงจะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะ เพนก็เปรียบเหมือนขึ้นรถผลัดต่างๆนะผลัดที่หนึ่งไปสู่ผลัดที่2องสามห้าลัดที่7เนี่ยนะเวลาที่พระโยคาวจรทํากิเลสทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นทําลายกิเลสโดยสิ้นเชิงด้วยอย่างนัทธสนาวิสุทธิคืออริยมรรคขึ้นสู่ปราศาสตคืออันประเสริฐเพราะเป็นผู้มีกุศลธรรม50เป็นเบื้องหน้าเป็นบริวารก็เพราะว่าอะไรเพราะขณะอริยมรรคเนี่ยจะต้องมีกุศลธรรมเกิน50เนี่ยนะ ร่วมอยู่ด้วยใช่ไหมผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตเนี่ยนะแม้กระทั่งกุ่สุมูลกุศลกรรมบดคุณธรรมประเภทโพชงอินรีพละองค์มักทั้งหลายเนี่ยประชุมรวมกันเยอะมากเลยเนี่ยนะคุณธรรมเยอะมากเลยแหละจึงจะแทงตลอดอริยสัต์ถ้าคุณธรรมไม่เยอะจริงๆเนี่ยออกจากอบายไม่ได้หรอกเนี่ยนะเหมือนคนยากทั้งหลายออกจากทุกข์ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีพวกท้ัพย์อย่างเพียงพอว่า ง, งั้นพผู้ที่จะตรัสรู้อริยสัต์จริงๆแล้วคุณธรรมเขาหนาแน่นมากกุศลธรรม หนาแน่นมากท่านใช้คําว่ากุศลมูลหนาแน่นมากคนที่จะบรรลุธรรมนะกุศลมูลหนาแน่นกุศลมูลหนาแน่นอธิบายสองในหนึ่งอดีตชาติทำบุญมาเยอะหนึ่งนะอดีตอดีตทําเหตุมาเยอะสองแ้วปัจจุบันล่ะอโลพะอโทสะอโมหะมีกําลังเรียกว่าคนที่มีกุศลมูลหนาแน่นถ้ากุศลมูลอดีตทำมาดีปัจจุบันก็อยู่ด้วยอโลภาอโทสะอะโมหะถ้าอย่างนี้ก็พร้อมที่จะ ตัดสรูปได้ถ้าไม่มีคุณสมบัติอย่างนั้นก็ฮะก็ไม่เป็นไรก็รอไปก่อนเนี่ยนะว่าบอกโอ้ยยังไม่บรรลุก็ทํา ท, ทุกครั้งก็เป็นบุญทุกทีน่ะจะเป็นหนักใจทําไมเนี่ยนะวันเราอาจจะรุ่นปลายแถวยุคนี้แต่อาจจะเป็นต้นแถวยุคหน้าเป็นต้ น, น่ขอให้มันทําให้ดีๆหน่อยอนะถ้าสอบตกซ้ําชั้นสักหลายๆชั้นเราก็เป็นหัวหน้าห้องแล้วใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> อยู่ห้องนั้นมานานอ่ะนะ <c oughs> เอาอย่างพระอะไรนะพระพระ ที่บรรลุเร็วๆเนี่ยรุ่นก่อนเนี่ยท่านเพื่อนเขาขาดนะเนี่ยปลายแถวเลยอะไรวะงั้นน่ยไม่สําเร็จด้วยแต่ว่าพอมาอีรู่น ป, ปั๊บบรรลุเร็วกว่าเพื่อนเลยนะเราก็ต้องทําใจไว้แบบนี้แบบที่เราสวดเมื่อเช้าไงโสตานุกตะสูตรอา น, นิสงส์ของการเรียนทำอา น, นิสงส์ของการฟังทำชาตินี้ยังไงก็ไม่บรรลุเหตุผลอะไรม้างอาหารก็ไม่สัปพายะบุคคลไม่ทั้งๆ ท, ง ท, งที่เข้าใจทุกอย่างหมดเลยนะรู้หมดเลยอะไรเป็นอะไรเนี่ยแต่อาหารไม่สัปพายะบุคคลไม่สัปพายะ สุขภาพก็ใหม่ดีนิวรณ์ก็กล่มรมเรื่องมันเยอะเนี่ยนะก็เลยโอ้ม่บรรลุสรุปแต่ว่าเข้าใจแล้วเรียนมาเป็นอย่างดีแล้วนี้ต่อไปบอกบรรลุในสวรรค์กัแล้วกันเพราะอะไรที่บรรลุในสวรรค์เพราะอุตส ป, ปายะเนี่ยนะสุขภาพดีปัญหาเรื่องสุขภาพตัดออกไปปัญหาเรื่องบุคคลก็แล้วแต่เราว่ากั้นเถอะก็แล้วแต่เราเองเพราะฉะนั้นทั้งบุคคลทั้งเนี่ยที่ถ้าคนเนี่ยนะถ้ามีความสุขเนี่ยสิ่งที่เรียนมามันย่อจากปรากฏหมดก็จะพิจารณา เห็นอริยสัจโดยลำพังตัวเองหรือไม่ก็พระพิสุเช่นพระพุทธเจ้าขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็แสดงธรรมก็บรรลุได้เช่นที่บรรลุอภิธรรมปิดกใช่ไหมหรืออีกในหนึ่งอีกในหนึ่งก็เทวดาเขาแสดงธรรมก็บรรลุได้พรมลงมาแสดงธรรมก็บรรลุได้หรือเพื่อนเก่ามาตุมาติงนะท่านท่าท่านเคยเป็นพระภิสุนะโยมเคยใส่บาตรท่านในโยมยังได้บรรลุมากกว่ท่านอีกท่านไปเป็นเทวดานักล้องหรือทําไมอย่างเง้นอันนี้กระโคประเทศพระบุตรเขาก็เตือนนะเตือนเทพบุตรรูปหนึ่ง เพราะนั้นก็ผู้ที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยถ้าสั่งสมอุปนิสัยอัธยาศัยไว้ดีก็เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ต่อต่ อ, ตอไปเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการศึกษาพระธรรมก็คือความความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติเนี่ยนะการปฏิบัติเนี่ยถ้าใช้คำว่าปฏิบัติเนี่ยเราควรจะนึกถึงอะไรถ้าใช้คำว่าปฏิบัติเลยนะมันเหมือนกับว่ามีงานอยู่งานหนึ่งเป็นงานที่ละเอียด และก็ต้องเป็นคนที่เป็นเท่านั้นแหละจึงจะทํางานอันนี้ได้ถ้าเราจะสมัครคนงานมาทํางานตัวนี้หนึ่งเราต้องการคนประเภทไหนคนที่เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีก่อนบัณฑินคนที่เข้าใจเนี่ยนะมีคุณสมบัติของผู้ที่เป็นนักปฏิบัติได้ฉันใดผู้ที่ปรารถนาบรรลุมรรคผลเนี่ยข้อปฏิบัติในผู้าศาสนาคือสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรพราะเข้าใจเท่าใดมันก็ปฏิบัติได้เท่านั้นแหละเข้าใจมากปฏิบัติมากเข้าใจน้อยปฏิบัติน้อย อ่นนะแค่เรว่าตามตามแต่ความรู้ถ้ารู้มากปฏิบัติมากถ้ารู้น้อยปฏิบัติน้อยไม่รู้เลยก็สนิทเลยไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยเพราะปัญญาเป็นตัวจำแนกว่าอะไรเป็นสัมมาวาจาสามัมมิชฉาวาจาเพราะปัญญาเป็นมินิไฉว่านี้เป็นศีล น, นี้ไม่ใช่ศีลจึงจะรักษาถูกศีลปัญญาเนี่ยจะไปแยกแยะวันนี้เป็นปัญญานี้ไม่ใช่ปัญญาปัญญาแยกออกวันนี้เป็นสมาธิและไม่ใช่สมาธิเพราะความเข้าใจนั่นแหละจึงเป็นตัว ปฏิบัติสัมมาทิฏฐินี่แหละเป็นตัวปฏิบัติองค์มรรคแปดขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วทายังไงจะเข้าใจให้ถูกต้องละ่นะก็สุตตมยะปัญญาในอย่างเบื้องต้นเลยนะสำหรับผู้ที่เป็นสาวกทั้งหลายก็ต้องพยายามอย่าลืมว่าสุตตมยะปัญญาทีนี้ทำว่าก็บอกโอ้อยางงี้เราจะต้องไปเรียนจะต้องไปฟังอีกแค่ไหนปัญหาว่าสุตตมยะปัญญาเขาไม่ได้ว่าจะต้องไปนั่งอยู่ในห้องเรียนนานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่ใช่ แต่หมายคาว่าเอาสาระจากสิ่งที่ฟังไปใช้ได้เรียกว่าสุตมยาปัญญาจริงๆแล้วอยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ตรงวั่า น, นั่งอยู่ในห้องเรียนมานานเต็มที่คอยเช็ดกระดาษอยู่ตลอดเนี่ยนะแล้วเรียกว่าคนมีสุตมยาปัญญามากก็ไม่ใช่เนี่ยนะแล้วถามว่าโอ้ไม่เคยเข้าห้องเรียนเลยใช่ไหมบอกปัญหาว่าสาระของการฟังคืออะไรสาระของการเรียนคืออะไรคือสุตมะยาญาณความรู้ที่เกิดจากการเรียน ชั่วโมงเรียนเวลาเรียนไม่สําคัญสําคัญหรืว่าเข้าใจแค่ไหนที่จะเอาไปปฏิบัติตามเนี่ยนะเอาไปปฏิบัติตามนะถ้าเข้าใจมากก็ปฏิบัติมากถ้าเข้าใจน้อยก็ปฏิบัติน้อยถ้าไม่เข้าใจเลยรถเจ็พลาดเนี่ยถ้าขึ้นรถเมย์กรุงเทพเนี่ยไม่รู้ไปลงเนี่ยนะสมมติวนะ่าบางคนมนาะคิดง่ายๆจะมาฟังทำที่นี่เนี่ยนะถ้าต้องนั่งรถเมย์เจ็ดทอเนี่ยมายัางไงอ่ะ แล้วไปลงไปลงตรงไหนอ่ะไปแค่ไหนจึงจะลงถูกให้มันถูกอะไรนะถูกป้ายใช่ไหมลงถูกป้ายแล้วก็รอถูกป้ายเนี่ยนะแต่ขึ้นผิดป้ายแล้วก็รอผิดป้ายก็ไม่ต้องฟังแล้วทำเนี่ยนะสามวันเมื่อกลับบ้านถูกหรือเปล่บบามาดูนวนกันละบางทีอาจจะขึ้นรถเมลเป็นสุดสายใ่ไหแล้วไปสุดสายแล้วขึ้นมาใหม่เลยไปอีกสุดสายอี ก, ก น, นะก็กลับไปกลับมานั่นแหะโอ้ยเนี่ยนะยุ่งกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนการการศึกษาการปฏิบัตินั้นความเข้าใจจึงเป็นตัวที่ ปฏิบัติที่จําเป็นที่สุดเนี่ยนะแล้วความเข้าใจนี้เข้าใจอะไรเข้าใจอริยสัจเนี่ยนะต้องไม่ลืมว่าความเข้าใจต้องเข้าใจอริยสัจอริยสัจคืออะไรก็บอกว่าบางทีเราไปคิดอะไรว่าโอ้ลึกซึ้งมากมายเนี่ยนะเอาอเอาคิดง่ายๆเลยนะกว้างๆอริยสัจสี่ใช่ไหมชรามรณะเหตุให้เกิดชรามรณะธรรมที่ดับชราธรรมที่ดับชรามรณะข้อปฏิบัติเพื่อให้ดับ ชาติชรา ม, มรณะคิดอยู่ได้ถ้าคิดได้เท่านี้ก่อนนะแล้วหาโจทย์ไปอ่านไปแต่พระตไตรปดกแล้วจะค่อยๆเข้าใจเองอะนะถ้าจ้างโจตั้งโจทย์ถูกเนี่ยนะเรียนไม่ยากแต่ถ้าตั้งโจทย์ผิดนะเอาให้มันยากมันก็ยากเอ๊ะเนี่ยสะกดถูกหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ก็เริ่มแล้วนะนี่แปลผิดหรือเปล่านี้แปลถูกหรือเปล่าใครแปลดีใครแปลเก่งอ่ะถ้าอย่างนี้ก็โอ้เรื่องนี้ยาวเลยนะถ้าอย่างนี้เกมยาวเลยว่างั้นเถอะต่อไปเถินเนี่ยนะ เชื่อเหอะโดยมากเลิกเรียนไปก่อนยังไม่ทันรู้เลยมันคืออะไรเพราะอะไรเพราะมาไม่เข้าใจประเด็นคนที่ศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยนะนะบอกวิธีง่ายๆเลยว่าทํายังไงในการศึกษาพระไตรปิฎกบอกพระพุทธเจ้าสแสวงหาอะไรเดี๋ยวสูตรน่าจะมีปาสราสิสูตรจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าออกบวชในท่านสแสวงหาอะไร